ซึ่งพระองค์ให้เราทาอาหารของวิญญาณให้หมดไปไม่ให้วิญญาณมีที่ตั้งอาศัยก็จะสามารถเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้ภิกษุทั้งหลายถ้าไม่มีราคะไม่มีนันทิไม่มีตัณหาในอาหารคือคําข้าวก็ดีในอาหารคือผัด ส, สะก็ดีในอาหารคือมโนสัญญาเจตนาก็ดี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 ในอาหารคือคำข้าวก็ดีในอาหารคือผัสสะก็ดีในอาหารคือมโนสัญญเจตนาก็ดีในอาหารคือวิญญาณก็ดีแล้วไซวิญญาณก็เป็นสิ่งที่ตั้งอยู่ไม่ได้เจ e ริญงอกงามอยู่ไม่ได้ในอาหารคือคำข้าวเป็นต้นนั้นๆวิญญาณตั้งอยู่ไม่ได้เจริญงอกงามอยู่ไม่ได้ในที่ใด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 ชรามรณะต่อไปย่อมไม่มีในที่นั้นชาติชรามรณะต่อไปไม่มีในที่ใดภิกสุทั้งหลายเราเรียกที่นั้นว่าเป็นที่ไม่โสไม่มีทุลีและไม่มีความคับแค้นดังนี้